ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมกำลังนำเสนอปรมเดชะพละสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยทศพลทธานสิบประการและจตุเวสารชยานสี่ประการในตอนปลายก็ส่งสรุปไว้ที่ กระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งสายเกิดและสายดับในสายเกิดก็เริ่มต้นที่อวิชชาในสายดับนั้นก็ที่จริงก็เริ่มต้นที่ี่อริยมรรคแป8ประการแต่ว่าพูดถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคแ ป, ประการ ก็ทำให้อวิชชาแประการดับตามไปทรงแสดงว่าก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกไม่เหลือสังขารถึงดับคำว่าสำรอกไม่เหลือนั้นหมายถึงบรรลุอาสวัคยานคือพระยานที่ทำอาสวะ ในกาสับกิเลสที่มีชื่อต่างๆในที่นี้ก็ต้องถือว่าอาสวะเป็นตัวแทนของกิเลสส่วนจะเรียกชื่ออย่างไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยิ่งแต่ว่าในปฏิจจสมบัทในนิโรธถวานได้ทรงแสดงว่าเพราะวิชานั่นแหละดับโดยการสำรอกไม่เหลือ ทำสํารอกอะไรสํารอกกิเลสออกจากใจมันทํานองคล้ายๆกับใจิตใจของเราได้ดูดดื่มแล้วก็ซึมซับกิเลสเอาไว้กอ่กอให้เกิดอาการของกิเลสประเภทยาประเภทกลางและประเภทที่ละเอียดซึ่งแน่นอนการจะแก้ไขให้สํารอกโดยไม่เหลือของกิเลสเหล่านั้นได้ กิเลสประเภทกลางๆก็สำ ROC ด้วยศีลกิเลสประเภทหยาบๆก็สำ ROC ด้วยศีลกิเลสกลางๆก็สำรอกด้วยด้วยฌานแล้วกิเลสประเภทที่ละเอียดก็สำ ROC ด้วยอริยมรรคแต่การจะถึงขั้นดับของวิชาเนี่ยเป็นเรื่องคุณสมบัติพิเศษก็คือความสมบูรณ์พร้อมแห่ง อริมัมีองคแปดประการดังนั้นเวลาส่งขึ้นต้นเนี่ยส่งขึ้นต้นให้เราเห็นในส่วนของนิโรธโดยอริมักไม่ได้บอกชื่อต้องๆไว้ในปฏิกัรยาสมบาติแต่ก็สรงแสดงในส่วนผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําให้สมบูรณ์ในอริมัครังกล่าว ก็ทําให้สำลักกินเหลื อ, อกิเละตั้งแต่ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกรณีของอะเรมาส ก, ก็เรียกว่ามัคคสัมมังคีคือผนึกเป็นเนื้อเดียวกันก็เกิดเป็นญาณคือความรู้แต่ไม่ต้องติดใจว่าต้องเรียกว่าญาณเสมอไป ก็ดังได้กล่าวมาแล้วในวัน ก, ก่อนๆว่าบางครั้งก็เรียกว่าจักษุบางครั้งก็เรียกว่าญาณบางครั้งก็เรียกว่าปัญญาบางครั้งก็เรียกว่าวิชาบางครั้งก็เรียกว่าแสงสว่างบางเรียกก็ยังเรียกว่าญ า, า, าณทัศนะเป็นต้นเนี่ยเขชื่อเยอะก็เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าด้านนี้เป็นด้านสว่าง oh. เมื่อในห้องใดที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นเต็มที่ ววามมืดก็ถูกขจัดออกไปอย่างสมบูรณ์วันเมื่อกิเลสดับมันก็คุณสมบัติแบบเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตะกนสูตนั่นเองว่าริยสาวกเมื่อสดับแล้วมาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณ เบื่เบอนายก็จะคลายกำหนัดพราะคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วดังนี้จากนั้นพยานก็ปรากฏว่าชาติคือความเกิดก็จบแล้วพรมจัรย์คือการปฏิบัติพัฒนาความดีในระดับต่างๆก็สมบูรณ์แล้ว แต่ความสมบูรณ์ของปรมาจารย์ที่จริงก็คือการตับไปอย่างสมบูรณ์ของอวิชชานั่นเองเรียกว่าในตรงนี้ก็สรงเรียกว่าพระมาจารย์กิจที่ควรทําเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติ ด, ดีหรือเกี่ยวกับการกําหนดรู้ทุกการละสมุทัยการทําำดโรูให้แจ้งการจเจริญ ม, มากก็สมบูรณ์แล้วกิริยในทํานองเกียตเดียวกันคือการละชั่วประพฤติ ด, ดีและไม่มีอีกแล้ว ันภารกิจในโอกาสต่อไปจึงเป็นภารกิจเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกโดยเสด็จรอยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าความสมบูรณ์ในจุดนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นต้นแบบพะยะสาวกทั้งหลายก็โดยเสด็จ แล้วก็ท่านที่เป็นคนดีที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษก็ดีเรียกว่าเป็นบัณฑิตก็ดีเรียกว่าเป็นนักปราชญ์ก็ดีเรียกว่าเมตชีเมตาก็ดีปัญญาท่านก็สูงขึ้นระดับหนึ่งใจของท่านก็บริสุทธิ์ระดับหนึ่งทำให้การมองสัตว์โลกของท่านเนี่ยทรงตามความเป็นจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นจิงเกิดการุณาต่อสรรพสัตว์เหล่านั้น หลจากนั้นสังขารที่ดับไปตามการดับของวิชาก็ดับหมายความมาจากขณะที่ท่านดับอวิชชาเป็นต้นไปการกระทาการพูดการคิดทุกอย่างของท่านก็ไม่เจือด้วยกิเลสก็เป็นโลกุตระแต่ท่านเรียกว่าเป็นสัจแต่ว่ากิริยาคือเป็นการทำการพูดการคิด แต่ไม่ก่อให้เกิดบุญเกิดบาปต่าเรียกว่ากุศลท่านเรียกว่าวิวัติกามีกุศลคือกุศลที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ไม่มีสิ่งสร้างขึ้นเพราะวิญญาณมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสกักรรมเมื่อกิเลสก็ดับวิญญาณก็ดับเมื่อกิเลสดับสังขารดับในวิญญาณก็ดับ นามรูปก็ไม่มีที่ตั้งที่เกิดคือไม่มีเหตุปัจจัยให้นามรูปมันเกิดเมื่อนามรูปไม่มีอายตนะในแง่ที่ท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ท่านก็คงเห็นรูปขลังเสียงดงกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเห็นร้นอนแข็งอย่างชาวบ้านนี่แหละเพียงแต่ว่าปัญญาที่สมบูรณ์นั้นเกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ก็ไม่ได้มีการกำหนดหมายอารมณ์ในแง่ที่รูปสวยเสียงไปรอกลินหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจับต้องแล้วก็เห็นว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าธรรมอารมณ์เหตุให้เกิดกิเลสมันก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีเชือ้อเป็นการดับโดยไม่มีเชื้อของกิเลสต่อไปภาษาก็มีนะแต่ก็สักแต่ว่าผัสสะ เวทนาก็มีกแต่สักดิ์ตัวเวทนาตัหามันไม่เกิดเพราะตัญหามันดับมาตั้งแต่เที่ยววิชาละเมื่อตัญหามไม่เกิดอุปท า, านก็ไม่เกิดอุปท า, านไม่เกิดพบก็ไม่มีที่ตั้งเพระพบในส่วนสังขารพพบมันก็ดับไปตั้งนานแล้วพะพบในส่วนของอุปาติพบมันก็ไม่มีที่ไปเกิดหรือมีสิ่งให้ต้องไปเกิดชาต ก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้มีชาติตัวนี้ก็เลยดับระเนระนาดมาที่จริงก็ดับมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละอย่างแต่แสดงในรูปว่าเมื่อกระบวนการเกิดมันก็มีการแสดงก็แสดงในกระบวนการดับแต่ดับแล้วก็ดับเลยหรือว่าที่จริงเนี่ยเมื่อวิชาเกิดมันก็เกิดรครบทั้งกระบวนการนั่นแหละ ผมก็แสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับทีนี้ในกระบวนการเหล่านี้พึงสังเกตว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญเนี่ยก็คือวิชากับอวิชาในกระบวนขององค์ธรรมเหล่าใดที่เริ่มต้นจากวิชาผู้แง่บริรุ่นต้นจากกุศลก็แล้วกัน ก็จะเป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงไว้ว่ากุศลแธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลแธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรกระทําบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะพบธรรมะในกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มให้เราเริ่มต้นที่กุศลข้อใดก็ได้ก็ได้ก็ ไ, ไ, ไม่ได้ว่ากัน ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อสำคัญว่าให้เป็นกุศลอย่างเคยยกตัวอย่างในอินทรีห้าหรือพละหา้าทรงสแสดงว่าเป็นเหมือนสหายห้าคนคนหนึ่งเป็นบุตรของอรมาร ส, สีคนเป็นบุตรของอรมารกคนหนึ่งเป็นราชกุ ม, มาน ทั้ง5้าคนอะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเพื่อนฝูงกันแต่วันใดที่ไปในบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพื่อนศรัทธาเพื่อนวิรยิยะเพื่อนสติเพื่อนสมาธิเพื่อนเหล่านั้นก็ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อเพื่อนอีกสี่คนแต่พอมาถึงราชวังเพื่อนปัญญาซึ่งเป็นราชกุมารก็จะทีน่ทำทหน้าที่กํากับดูแล บริหารจัด ก, การให้เป็นไปตามที่ต้นต้องการแต่ทีนี้พอพอเริ่มการนำเนี่ยเราจะเห็นว่าก็แสดงในฐานะผู้นำด้วยกันซึ่นัทธาตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จแล้วก็ไปเรื่อยไปจนถึงสถัทธายาตริติโอคังบุคคลจะข้าวม่วงน้ำคือสังสารวัตได้ด้วยศรัทธา ในขณะเดียวกันก็แสดงว่าวิริเยณะดุกมัจเจติคนล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรแต่แน่นอนในขณะที่เราใช้ความเพียรเราก็ต้องมีศรัทธาเราก็ต้องมีสติเราต้องมีสมาธิเราก็ต้องมีปัญญาเพียงแต่ว่าตอนนี้ความเพียรเขาแก่แก่กล้าเขาเป็นผู้ น, นำเขาเป็นเจ้าของบ้านกระบวนการนธรรมาอีสีข้อก็ตามตามความเพียรไป พอ ม, มาถึงสติสติจําปรารถนาในที่ต้งพวงจนถึงสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกก็เป็นการตื่นจากกิเลสชนิดสาไม่เป็นการหลับด้วยอํานาจของกิเลสหมายความมาตรงนี้ก็สตินัส่วนศรัทธาความเพียรสมาธิปัญญาก็ตา่างพอมาถึงสมาธิ ที่จนแสดงว่าสมาธิพิกเวภาเวทสมาหิโตยถาผู้ตังประช า, านาติบุคคลพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําสมาธิให้บังเกิดขึ้นบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิจะรู้เห็นทำความเป็นจริงกรนี้ท่านสายชนที่ได้ฝึกปฏิบัติในสมาธิจะเห็นชัดเจนวันในขณะที่เราจะบริเนสมาธินั้นเราก็ต้องมีศรัทธาเราก็ต้องมีความเพียรเราก็ต้องมีสติ แล้วเมื่อจิตเริ่มอย่างลงสู่ความสงบศีลก็ประณีตขึ้นสมาธิเองก็ประณีตขึ้นแล้วจนถึงปัญญาก็โดดเด่นขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นปัญญาทำหน้าที่วินิจฉัยสติเป็นญาทำหน้าที่ระลึกรู้ความเพียรก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนศรัทธาก็เป็นฐานให้จิต ประษาทีิทางของตัวเองเอาไปแล้ว่อถึงจุดหนึ่งมันก็นำไปสู่การพัฒนาปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกที่ทำหน้าที่ขจัดอวิชาในขณะเดียวกันความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายก็มาจากปัญญาอย่างที่ทรงแสดงว่าปัญญายาบริสุทธิ์จิต ทีนี้เราจะดูข้ออือ่นๆกุศลธรรมข้ออื่นในมวลที่เกี่ยวกับกุศลธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นบุญยักกิยาวัตถุสิมาเริ่มต้นที่ที่ทานาน่ะไหมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานทีนีการให้ทานเนี่ยที่จริงเราก็เห็นความจางไปของกิเลสความจางไปใน โลภะในความสนีของวัตถุที่เราจะบริจาคทานหมายความว่าถ้าเรายังมีโลภะยังมีความสนีเราก็ให้ไม่ได้แสดงว่าโลภะความสนีนี้มันจางไปในขณะเดียวกันโทสะในตัวคนมันก็จางไปโดยเฉพาะในขณะนั้นก็เรียวกว่าไม่มีโทสะแหละเพราะว่าจะให้ด้วยความ เมตตากรุณาจะให้ด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมจะให้ด้วยความเคารพนับถือสักการบูชาหรือแม้แต่ให้ด้วยความรักก็แสดงว่าสุขภาพจิตมันดีในขณะนั้นๆัปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นไปขจัดโมหะดิวการไม่ยอมรับเหตุผล อย่างที่มีการพูดกันว่ า, าทําบุญสมเปล่ า, เ, าเส้นเจ้านนี้ได้กินนั้นก็แสดงว่าไม่เป็นอาการของโง่ะแล้วก็แสดงถึงความมีเหแก่ตัวแสดงถึงความไม่รู้เพแทแห่งบาป บ, บุญคุณโทษต่างๆทีนี้พอศรัทธามันเกิดเราจะเห็นว่ากิเลสที่เราเห็นชัดเจนว่ามันลดเนี่ย คือโลภะคือตณัณฑคือโทสะแล้วก็คือโมหะก็หมด ล, ล, ละอกุลสมูลณสามข้อนีมันลดลงไปด้วยกันพฤติกรรมในการให้ทานของบุคคลก็บังเกิดขึ้นได้จากนั้นเราก็สัมผัสความสงบเย็นจากการให้ทานเช่ น, นเรากลายเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก คือเสียงเกียรติคุณความดีเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมงมั่นกล้าหาญไม่ั่านค้ามขำเกรงในสมาคมทั้งหลายมากโดยสติสมัยชัน ญ, ญักตอนนั้นเรายังมีชีวิตอยู่แต่สติสมัยชัน ญ, ญัจะดีเพราะไรเพราะว่าอาการของกิเลสมันจางไปคลายไปมันเท่าไป การไม่หลงตายกะตายแล้วไปบังเกิดในสุคตินั้นอย่างไม่ต้องพูดเพราะเราอย่างไม่ตายแต่สามอย่างนี้เราเห็นได้ชัดมันปรากฏเกิดจิตแล้วก็มีปัญญาพิจารณาหินโทษของการละเมิดศีลแล้วก็สำรวมระวังงดเว้นในเรื่องของศีลอาจจะ ง, งดเว้นเรื่องห ย, ยาบๆไปก่อน แล้วก็มองเห็นโทษแม้แต่ละเอียดก็งดเว้นในส่วนที่ละเอียดส่วนที่กลางกลางแล้วก็งดเว้นแม้ในส่วนที่ละเอียดซึ่งหมายความว่าอาการของกุศลแธรรมมีปริมาณสูงขึ้นจนมองศีลเห็นเป็นระบบคือทั้งระบบของศีล เช่นว่าคนไปล่วงละเมื่อศีลแล้วก็จะมีความเดือดร้อนใจหวั่นใจไม่สบายใจวันก่อนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามาถามเขาถามว่าเขาไปช่วยเพื่อนในโรงข้ามหมูบางครั้งก็สั่งการแทนเพื่อน เจตเืนก็นสั่งว่าวันนี้ข่าหมูยี่สิบตัวเขาก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ให้ข่าหมูยี่สิบตัวกระถามมาผมทําอย่างนี้บาปไหมก็บอกว่าบาปตั้งนานแล้วบาปตั้งแต่เจตนาเข้าไปร่วมในกิจกรรมฆ่าสัตว์ของบุคคลอื่นประบาทไปเกิดขึ้นจากการฆ่าสัตว์นั้นฆ่าเองก็บาปใช้คนอื่นฆ่าก็บาปยินดีในการฆ่าของบุคคลอื่นก็บาป หรือว่าดักสัตว์ด้วยวิธีการาต่างๆแล้วก็สัตว์ตายเนี่ยมันก็บาดแม้แต่บาดเจ็บก็บาดเพราะเจตนามันประกอบด้วยโลภะกับโมหะมุ่งสวยงาประโยชน์เพื่อตัวเองกับความพิบัติของคนอื่นสัตว์อื่นเธอฟังไปแล้วเธอคิดยังไงก็ไม่ทราบนะฮะก็ไม่ได้ถามหรอก เราให้ไปคิดตัวเองเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นอาชีพของเขาเราจะไปอธิบายมากมันก็ไม่ได้เราแต่ว่าเขาเองต้องคิดอ่ะมันเป็นทางเลือกของชีวิตมีความจะเป็นอะไรมากไหมที่เราจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยชีวิตหมายความว่าเราอาศัยสร้างสถานะของเราเลี้ยงดูครอบครัวของเราแล้วไปทำลายครอบครัวของสัตว์อื่น มันเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าล่ะแต่เราคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบเราก็งดเว้นแต่คิดไม่ได้คิดไม่ดีคิดไม่เป็นไม่ชอบก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพรานันสีนะันลองสังเกตว่ามันจิตที่มันประนีตขึ้นไปเนี่ยแล้วจะพยายามคืบครานเข้าไปหาความประนีตริ่งขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วผู้เจ้าประสงค์แสดงไว้ทงขยายความละเอียดนยในสีหน้าขอบแล้วเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมองกลับมาหาตัวเองเห็นว่าเราก็รักสุขไม่ชอบความทุกข์ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนประทุษร้ายเราดวงรเมื่อสิทธิ์ในชีวิตในทรัพย์สิน ลงดอเมอริตีในคู่ครองโกหกหลอกลวงเราเป็นต้นมันก็ระมัดระวังตัวเองเพราะเราไปแก้ไขใครไม่ได้หรอกเราก็งดเว้นจากเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไม่แสดงอะไรให้เห็นถึงความเดือดร้อนเ้วนการพกภาสัตราวุธเครื่องประหารทั้งหลายเข้าไปในที่ชุมชนหรือว่าทำให้คนก็เห็นอาวุธ เห็ในใครก็ตามหีืพวกอาวุธมันก็วาดสะดุ้งทางนั้นนหะก็จะเกิดสํารวมระวังพอถึงจุดหนึ่งก็จะระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหลายแล้วก็พัฒนาจิตขึ้นไปมันก็ค่อยๆเกิดธีริโอตปะขึ้นมาโดยลําดับพอเกิดธีริโอตปาเนี่ยมันทําหน้าที่สกัดกั้นกระแสของกิเลสเอาไว้ รังเกียจบาปขยะขแข็งต่อบาปไม่พอใจไม่ยินดีในการกระทําที่เป็นบาปมันกจะเกิดเมตตาอินดูในสัตว์ตั้งหลายซึ่งเขาก็คิดอย่างที่เราคิดเขาก็เป็นอย่างที่เราเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันจนถึงจุดหนึ่ ง, จงใจเราก็จะเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความ เมตตาอินดูมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสาธว์ทา้หลายพอไปถึงจุดนั้นจิตมันสงบแต่มันมีความรู้สึกว่ายังมีความสงบที่ยิ่งกว่านั้นแต้วมันก็ค่าไปสู่กระแสของภาวนาใหม่คือบุญที่สาเร็จการเจริญภาวนาภาวานาก็อีกแล้วมันก็ชิมไปชิมไปชิมไ ป, ช ม, ไปชมไปเ อ, อิบิ่มไปสงบไปสุขไปสบายไปเย็นไป โดยลำดับมันก็ไต่ไปจากสมถภาวนาแล้วก็ถึงสมาธิตามระดับยังมีอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ปัญญามันจะบอกว่ายังมีอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้สติกับปัญญาจะทำให้พี่บอกใจเราเราก็จะเริ่มใช้ปัญญาพินิพิจนาถึงอะไรละ่ะถึงชีวิตถึงทรัพย์สินถึงคู่ครองถึงการสื่อสารที่ล่วงละเมิดกัน บาปแท้ที่จริงแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นบาปติดตัวเอาก็จริงชีวิตรเราเกิดมาแล้วก็ต้องประสบกับความแก่เจ็บตายก่อนตายจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้การที่เราไปคิดหมายเอาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นต้องเป็นอย่างโน้นที่จริงมันเป็นการฝืนคติธรรมดาจะมีการปักใจฝันใจ ในสิ่งที่ไม่ได้สวยงามว่าสวยงามสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นอนัตตาเป็นอน ต, ตาตัวตนปัญญาเรพิจารณาพิจารณาก็เห็นเออเราก็หลงผิดมานานเมื่อปัญญาถึงระดับหนึ่งก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมา ด, ดีดูโลกนี้อันตราการดุรัสโรถ ที่พวกคนเขาร้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ร้องอยู่หม้ยความโลกมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละเมื่อไรเมื่อไร่มันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคนเข้าถึงความจริงของโลกแล้วจะไม่สยบติดอยู่กับกระแสะของโลกจะยกจิตขึ้นเหนือโลกทั้งๆที่กายอยู่กับโลกเนี่ยแต่ว่ายกจิตขึ้นเหนือโลกคือเนื้ออารมณ์ทั้งหลาย มีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของอารมณ์โลกทั้งหลายในขณะที่คนลงทุนทำความชั่วเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองสิ่งที่เราต้องจากไปนะเราก็เข้าใจว่าการไม่เที่ยนเป็นทุกเบาตาของสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นแสิ่งที่เราครอบครองที่จริงก็คือครอบครองเพื่อจะไม่ได้ครอบครอง เราเริ่มมาจากการไม่ได้ครอบครอง บ, บินนฑมควนควายทําความช่วยอะไราสารพัดทาไปเถอะแล้วผลสุดท้ายเธอก็ต้องทอดทิ้งสิ่งดอก น, นี้ไปจิงหรือไมทิ้งเธอหรือว่าเธอทิ้งสิ่งเหล่านั้นนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันตลอดไปไม่มีเพราะว่ามันเองที่เราครอบครองนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตตาเราซึ่งคิดว่าเราเป็นผู้ครอบครองเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตตา และก็จากนั้นก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตเราเห็นว่าบุญญักรยาวัตถุที่ทรงแสดงเองนั้นทรงแสดงแค่สามข้อทะเนี้ย <c oughs> จะในการต่อมาพระอาจารย์ท่านก็รวบรวมมาจากที่ต่างๆก็ามาจัดไว้แต่กายเป็นสิบข้อเดีวยวกันประการต่อไปเนี่ยแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจของบุคคลอื่นเป็นมวยยาวัจจะใหม่คือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่น เรามีวความชัดเจนว่าสรรพชีวิตตั้งหลายในโลกเป็นเพื่อนร่วมรู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ละคนก็มาสู่โลกนี้เดีวยวกันของตนอยู่ในโลกนี้เดีวยวกันของตนจากโลกนี้ไปเดีวยวกันของตนเราก็มาเจอเจอกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องจากไปจากไปตามอะไราจะไปตามกระแสกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ในชาตินี้เราเกิดร่วมกันต่อไปจะเกิดร่วมกันหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้หรอก แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดคือทุกชีวิตแล้วก็ตายแน่ตายแล้วก็ต้องเกิดในกําเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนก็ทําให้จิตใจมีความอบอ้อมอารีเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั้งหลายแล้วก็จะแสดงกิริยาการที่อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานต่อบุคคลอื่นเด็การแสดงถึงคุณภาพของจิตนะ เพราะถาความอ่อนหวานกับความอ่ด น, น้อมที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยยกไว้แต่เป็นมายาเสแสร้งโป้อวดห อ, อกลวงนะปลอมแปลงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดขึ้นในความสุจริตใจแล้วก็หมายความว่าภา ย, นายใน จ, จิตใจนั้นจะอ่อนอยู่มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนทั้งหลายเคารพควรที่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือคนที่ควรแก่การเคารพนับถือ แสดงความเป็นมิตรต่อคนที่ควรแก่การเป็นมิตรมีความเมตตาอินทร์สงสารคนที่ควรแก่การเมตต์เมตตาอินทร์สงสารแต่และอย่างมาทำให้รรจิตอ่อนโยนและ้วจากนั้นก็จ ะ, ะพร้อมที่จะแสดงเหตุที่แจงเหตุที่แจงผลแก่บุคคลเราเอ น, นเป็นการให้ธรรมะเป็นฐานแก่บุคคลเรานี่ย และในส่วนของทานก่อนในส่วนของทานเมื่อเราทำความดีอะไรเราก็จะอุทิศส่วนแห่งความดีเหล่านั้นแก่คนอื่นสัตว์อื่นปราถนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันแล้วเวลาคนอื่นทำความดีแทนที่จะริสยาเนี่ยมันก็กลายเป็นอันโมทนาใหมา่บุญทำเร็ด้วยการอันโมทนาส่วนบุญต่อบุคคลเหล่า น, นั้น แล้วจากนั้นจะเป็นอะไรล่ะอย่างนั้นก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโดยการศึกษาด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการสนทนาเวลานี้มันมีเยอะมากเป็นเรื่องที่น่าสังเกตคือไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของชาวพุทธทั้งหลายเท่าไหร่โดยมากไปก็จะไปเป็นวิทยากรไปแล้วก็กลับ คือไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรเทร่าไหร่วันก่อนไปก็ทํานองปฏิบมติมนิเทศแต่ว่าเป็นการกล่าวสมโรณ์ีกระถาเฉยๆหน้าที่ประชุมของพระเนรรุ่นหนุ่มที่ก็รวมกลุ่มกันทั่วประเทศสร้างสถานีวิทยุแล้วก็จัดขึ้นมาเป็นเครือข่าย เวทีศูนย์พิทักษ์รัฐศาสนาแห่งประเทศไทยก็กำลังจะสร้างนะกลังจะสร้างที่วราชาติวาดก็ลองศึกษารายละเอียดงบประมาณก็ตกระสักสองล้านแต่ที่เราดีใจก็คือเห็นว่าเอองานเผยแผ่มันหลากหลายรูปแบบมีการออกเป็นวิทยุกระจายเสียงออกไปทางอินเทอร์เน็ต ออกไปทางหนังสือทำดีมีดีเผยแพร่ออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ละมวล้วนแต่ละม้วนนี่ฟังวันหนึ่งไม่จบบางม้วนนี่ว่าก็สิบวันแถงไม่จบเลยอย่างที่เขาทำมาให้ตมาเนี่ยก็มีรู้สึกว่าประมาณสักแปดม้วนนะครับแต่มันกินเวลาไปตั้งห้าร้ยกว่าชั่วโมง พอทามเรีนว่าเออเวลานี้ถ้าคนมีความสนใจมีความตั้งใจถ้าตัวเองต้องเดินทางมากก็เสียบไว้ในรถขึ้นนั่งรถก็ฟังไปกราบก็ฟังโอกาสที่จะอ่านมันอาจจะน้อยนะแต่โอกาสที่จะฟังนมันเยอะขึ้นมาแล้วต่อมาสองสองวันก็ได้อีก วันนั้นก็ได้ประมาณสองสวันก็ได้อีกได้มาสองสามห่อการแสดงว่าแต่เราจะฟังจริงๆนี่เราก็ไม่มีวันแล้วนะนันก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมนี่มันเปิดสนามไวกว้างมากๆปัญห า, าสำคัญเวลานี้จริงไม่ได้อยู่ที่พระทำอะไรแต่ก็อยู่ที่ว่าโยมตั้งใจฟังหรือไม่ แนนอนพระจะไปเทศในที่ต่างๆมันไม่ได้หรอกป ร, ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่คนไม่มีคนนิ่มุแล้วแต่โยมก็สนใจตั้งใจจริงๆ จ, จะมีโอกาสฟังแน่นๆทีนี้เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นธรรมเทศนาใหม่ได้หมายความว่าเรารู้เรื่องอะไรอาจจะเป็นประโยคสั้นๆอาจจะเป็นคำคมๆอาจจะเป็นคติเตือนใจให้เราได้คิด สัส้นๆอย่างหลวงปู่แวนท่านพูดถึงท ร, รมะทรรมงวยทรรมเมาอะไรเนี่ยนะะามคำด้านนั้นเลงหลวงปู่ดูลบอกว่าเขาเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่จริงอันนี้ถือว่าแต่ละคำเนี่ยมันครบมากแล้วก็เอาไปบอกกล่าวชี้แจงแสดงให้คนอื่นฟังได้เพราะอะไรเพราะถึงจุดๆตรงนั้นแล้วจิตมันรักมนุษย์ชาติแล้ว การใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ด้วยด้วยเกือ้อกูลด้วยอำาวยความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ทางหลายด้วยเราก็รีบพอใจที่จะทำการ น, นั้นโดยสังท่อุตสาหะอย่างสูงหรือมีความตั้งใจอย่างสูงแล้วเป็นสุขที่ได้กระทำอย่างนั้นจานั้งต่อไปก็เป็นยังไงก็ความคิดความเห็นของเราเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเองเข้าห า, าศาสนาธรรม ศาสนาธ ร, รมว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ยังไงเราก็ปรับใจตัวเองให้อยู่ในกระแสของศาสนธรรมเหล่านั้นมันก็กลายเป็นทิฏฐุจุ ก, กรรมคือการทําความคิดความเห็นของตนให้ตรงตามหลักการวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะนั้นลองสังเกตว่าถ้า เราเริ่มต้นที่ข้อใดก็ได้ข้อใดก็ได้สำหรับคนนั้นเอาก่อนในวงแคบๆก่อนเริ่มที่ทานก็ได้เริ่มที่ความเห็นที่ชอบก็ได้เริ่มที่ความมี น, น้ําใจต่อคนทั้งหลายก็ได้และกระบวนการธรรมะนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของการอะไรกันมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้โดยธรรมด์ ดังั้กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการเกิดของกุศลซึ่งก็หมายความยังไงหมายความมาอีกด้านหนึ่งก็คือการดับลงของอกุศลมันก็อยู่ในกระบวนการของปัจจัย ก, การเหล่าเนี้ประเด็นาสาคัญว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดได้หรือไม่เกิดอะไรสักข้อก็ได้อย่างที่เคยพูดว่าหลักกว้าง เรามองที่ใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็จะพูดถึงราคะด้วยก็ได้นะรราคาโะโลภโทสะโมหะเราต้องการจะลดพวกเหล่านี้เราต้องไม่ไม่รู้จักมันก็ได้กิเลสเหล่านี้มันชื่ออะไรมีลักษณะาอาการยังไง แต่ว่าในโลกมันมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีเจ้าของสิ่งไม่มีชีวิตก็มีเจ้าของเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็มีของเรากับของคนอื่นแต่าการพูดเป็นคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกกระด้างจิตใจมันกระด้างฟื้นมาจากไหนล่ะ อย่างพวกที่ทะเลากันเนี่ยนะพวที่เลกันที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่มันแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นคนอื่นเป็นพวกอื่นที่รุงแรงแลวเราดูข่าวต่างประเทศมันก็คือการเนี่ยนะสัตว์โลกเขาไม่เคยนิ่งยี่ใครที่พูดบังก่อนก็พูดได้คง ว่าประเทศใดที่มีความสงบสงบถึงจุดหนึ่งจะมีการทะเลาะ ก, กันประเทศใดที่มีทะเลาะ ก, กันจนมั่วไปหมดเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะหันหน้าก็าหาความสงบนี่มันเป็นวังวงจรที่เราจะเห็นว่าตัวนำก็คือสองตัวเบมือเดิมหมายความากลารที่นำโลกเข้าสู่ความสงบได้ก็คือตัววิชา พอสงบอยู่ได้นานผู้อวิชชาเขาก็ดิ้นเพราะมันเป็นการสงบแบบสยบเอาไว้คือว่าเรากดเอาไว้ก็ไม่ได้สงบจริงในถึงจุดหนึ่งมันจิตใจมันจะเปราะบางนะหมายความว่าคนเราสงบมานานถ้าใครทำให้ไม่สงบเนี่ยจะรู้สึกไม่พอใจคล้ายๆกับเรานั่งสมาธิเนี่ยสมาธิที่น่ากลัวก็คือว่าโทสะมันเกิดง่าย แต่บางทีเรานั่งสมาธินั่งกันคนมากๆโยมคนหนึ่งก็หยิบถุงกรอกแกรบอะมาขยามนี่แหมมันสยองกาไปถึงหัวใจแลวันโอกาสที่คนจะเกิดความรำคาญเนะี่ยเกิดโทสะนะี่เกิดได้ง่ายเพรสภาพสังคมที่มีความสงบพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ากิเลสมันดิ้นแต่ต้องการจะแสดงพลานุภาพเข้ามาด้วย ถึงจุดหนึ่งก็เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเรียกว่าเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นศึกสงครามรบราท่าฝันกันอาจจะลามามไปไกลขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ส น, นุกนะมันมีแต่การพระรากสูญเสียบาดเจ็บล้มตายหวาดระแวงวิตกกลางวนหวาดกลัว โดยประการต่างๆคนก็เริ่มแสวงหาเส้นทางที่จะนำเข้าสู่ความสนุกโครงสร้างเหล่านี้ถือว่าคมนะคือใครจะสังเกตไว้ก็ไม่รู้ก็ถือว่าคมมากเพราะว่าในตำนานที่เกี่ยวกับประสีอานเนี่ยท่านก็เล่าว่าอย่างไงว่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์อายุจะน้อยลง น, ย น, ยน้อยลงน้อยลงจนเหลือสิบขวบก็แต่งงานมีครอบมีครัวกันแล้ว คนก็หนาแน่นประชากรก็หนาแน่นขึ้นแล้วในที่สุดก็ต่อสู้กันแล้กลายเป็นกรารียุกเาเรียกว่าเห็นกันเป็นสัตว์ที่ไล่ล่ากันเลยจนตายกันเกลื่อนคนกลุ่มหนึ่งก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าพอเห็นสงบสงบดีก็เริ่มทยอยมาจากป่าเกาะกลุ่มปรึกษาปรับทุกข์กัน คิดหาทางออกให้แก่สังคมก็เริ่มหันหน้าเข้าหาความดีอายุมก็เริ่มเจริญเจริญเจริญเจริญขึ้นไปทีเดียจะถึงจุดหนึ่งที่ท่านบอกว่าอายุถึงแสนปีเราก็ไม่รู้เรื่องอนาคตการนานไกลขนาดนั้นเราไม่รู้ว่ามนุษย์นีสามารถอยู่ได้ถึงแสนปีจริงหรือเปล่ามันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอีกางเง มายความต้นเหตุปัจจัยทําให้อายุยืนมันเป็นความสำเร็จโดยกําเนิดอย่างไนึ่งะกำเนิดมันก็มาจากปริมาณของกิเลส ท, ที่ไม่เข้มข้นเกินไปแล้วก็ปริมาณของกุศลกรรมที่สูงขึ้นไต่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆในส่วนที่ติดมาโดยกําเนิดมันก็ลดน้อยลงสิ่งที่จะเป็นพาหะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็น้อยลงอายุก็อาจจะยืนได้ก็ยืนก็เป็นแสนๆปีสมาพวกเขามันก็ไม่มาต่อ ก็มากด้วยกันมันก็กลายเป็นไม่มากหรอกเหมืนเศษตรทีมาคุยกเกษตรทีเนี่ยมันก็ใครรวยไม่มากหรอกเพราะว่าใกล้เคียงกันแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอายุเริ่มลดเริ่รลดลงมาท่านบอกว่าพอเท่าไรแปดสนปีไม่ใช่แปดแสนปีแปดหมืนปีตัอสิ่จที่ยาม่ใจก็จะมาอุบัติในโลก ก็เป็นเรื่องอนาคตการนานไกลแต่เพียงแต่ว่าให้เห็นตัวอย่างว่าเออมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแม้แต่ว่าเรามองดูสมมุติว่ามีสุนัขอยู่คลอกใกล้ก็ได้ตระกักก็ได้ก็นั่งดูๆกันเรืย่ยๆคอสังเกตพฤติกรรมหรือแม้แต่เราถ่ายภาพเอาไว้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีกล้องมีวิดีโอก็ถ่ายเอาไว้ดูซิว่าความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเขาเป็นยังไง ตอนหนึ่งก็อาจจะเล่นอาจจะปัดอาจจะกัดอาจจะติกจีกันพอเสร็จแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยก็แยกย้ายกันไปไปนอนอยู่ไปอีกของแม่แล้วก็ออกหาอาหารเรียบร้อยเป็นพี่เป็นน้องกันรักใคร่สนิทสนอกันวันนี้กันนี้เธอก็ อ, อีกอ่ะก็ทะเลาะกันอีกนี่คือลักษณะของ การนำของอวิชากับการนำของวิชาอวิชามันก็นำไปอีกด้านนึ่งในความสุขความสงบความเยือกเย็นอีกสมบูรณ์ก็คือการดับกิ่เละและเพลิทุกข์ที่ส่งแสดงว่าโดยการซ้ำรอบโดยไม่เหลือแต่อย่งางไรที่สุดเราก็เห็นนะเราก็เห็นกันอย่างเนี้เพียงแต่ว่าเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าไอ้สวนหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ ทีนี้เมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่โลภในทรัพย์สินของบุคคลอื่นถ้าเราไม่โกรธในตัวของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราไม่หลงในเหตุผลของการดำรงชีวิตโลกมันก็สันติแล้วสันติระดับโลกโลกมันเกิดขึ้นได้แล้วด้วยความคิดเพียงสามข้อเท่านั้นเองเราคารมฉิตชในชีวิตในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่หลงระเบ ในตัวคนเราก็เคารพเขาเราไม่เกิดโกรธไม่เกิดโทสะอาจจะเกิดบ้างแต่อย่าถึงกับเบียดเบียนอย่าถึงกับประทุษร่ากันความน่าอยู่บนสังคมมันก็เกิดขึ้นตามสุขกข์ทุกขกิโลกมนุษย์ตามทุขกข์ทุกขกิโลกสวรรค์อะไรแล้วลองสังเกตว่าพอภูมิยิ่งสูงขึ้นเนี่ยอาการของกิเลสมันจะลดลง ระว่ากระแสของกุศลนั้นได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุ้มครองราาักษาจิตของท่านเหล่านั้นเอาไว้ให้สามารถดำรงอยู่ในทํานองครองธรรมเพื่อฟังทั้งหลายเสียงธรรจากมาวิจัยสีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ไวด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ข้อความจะเรียนนองงามไปบูรในธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้ทั่วกันสวัสดี